ฟังตามโตอีกให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตการไปอยู่ก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนมิตรก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นยาหู้ใจ จะใช้ช ja, ีวิตเพื่อให้มันงดงาเหมืนเหยียวตกประยชน์ู้ขอเงินก็เป็นสีเงินตกประโยชน์ูขอทองก็เป็นสีทองก่อนอยู่กับผงโจรก็เป็นโจรอยู่กับบัณฑิตก็เป็นบัณฑิต เดี๋ยวคนผ่านก็เป็นคนพานไปชีวิตของเราถ้ามีสติก็ได้ใช้สติถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้ใช้มีแต่ความหลงแล้มีความหองก็อะไรก็สำมพน ความโกรธกม็มาความทุกข์าหาความพอใจความไม่พอใจก็ามาอาศัยชีวิตของเราเราก็รับใช้เขาเสียเวลาชาติทั้งชาติแทนที่จะอิสรภาพไมเป็นอะไรไม่รับใช้อะไรคนมี อะไรก็ใช้อนั้นไม่มีอะไรก็ไม่ได้ใช่แลมวเงินก็ใช้เงินเราสาธยายพระสูตรได้เราก็ได้สาธยายได้พูดออกไปการพูดออกไปในพระสูตรเช่เราสอนกันมันก็เป็นไปไ ป, ไปได้หลายอย่างถ้าเราไม่รู้ ไม่มีอะไรใช่ก็มืดแปดด้านไม่รู้เขาว่าอะไรกันภ <c oughs> าษาอะไรเออทำไมมีเหตุผลอะไรเกณฑโลกไม่เที่ยงเราก็เห็นรูปไม่เที่ยง เ, เทศนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงแล้วเขาว่าออไปไม่มีใครมาบอก ออกไปจากความรู้สึกภายในของเราจิตใส่ใจตามว่าโดยย่อความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกุปทานได้เจอสิ่งเหล่านี้คือรู ป, ปังอนิจจัง ยอมไม่ได้ความยึดนั่นอะไรกวามยึดมั่นคือลูกความยึดมั่นคือเวทนาความยึดมั่นคือสัญญาความยึดมั่นคือสังขารความยึดมั่นคือวิญญาณ ถ้าประยืดก็เป็นทุกข์ถ้าไมา่ยืดก็ไม่มีทุกข์ร้กสาวกตั้งหลายก็รู้เรื่องนี้พู้เจ้าทรงสั่งสอนเรื่องนี้เราก็ได้ว่าไปเถึงกิจถึงใจเราไม่ได้ว่าแต่ปากเวลาใดเราได้สาเทปสูตร แล้วก็อยู่ในเชิงวัตรล้อมที่ดีเหมือนก็สะอาดอยู่เสมอยิ่งเราได้ว่ามันสมน้ำหน้ามันถ้าพูดถึงว่าโูกไม่เที่ยงที้หน้ามันก็หลัใจบังอถานไม่เที่ยง บอกมันแล้วเวทนาไม่ใช่ตัวตนก็บอกมันแล้วอะไรเมื่อมันเกิดเวทนาเกิดสัญยศสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาก็บอกแล้วมันก็มาไม่ได้จิงใดไม่เที่ยงจิงนั้นไม่ใช่ตัวตน กันใดไม่ใช่ตัวตนสิ่นั้นเป็นทุกข์กันเป็นทุกข์สิ่งนั้นม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราก็เกลี้ยงไปเลยเดอดกับบาปนะลา่างล่างบาล่างบาปเป็นอย่างนั้นจริงๆการมีสติ เกีย่ยวกับการช้ชีวิตชัดเจนแม่นยำอยู่โดยชอบผู้ชอบคิดชอบตั้งใจชอบาการนานชอบความภาคเพลินชอบตั้งจิชอบจนเข้าถึงสมาธิเป็นอันิสง่งของการถึงจุดหมายปลายทางได้ใช่กอถึงวิตกวิจารก็ นึกแตเราอยู่บ้านติดจุกติดสงบก็หงม่เลยหลงละไปละไปละไปมีแต่ปล่อยไปปล่อยไปจนถึงมืเบกขาจนถึงกล่วไม่เป็นอะไรทางให้เราไปถึงสุดยอดถึงสุด เอมีลูกก็ทุกแบบคิดแบบคนมีลูกคนมีผัวมีเมียก็คิดแบบคนมีผัวมีเมียคนมีเงินก็คิดแบบคนมีเงินคนจนก็คิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยพุทธิย่อต้องพูดต้องตัดว่าผู้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดทัืงอะไร อะไรก็เห็นมาบวชแล้วในกองรูป ก, กองงามถ้าสี่ขันห้าถ้าเราไม่เห็นก็โชว์เด่นถ้าเราเห็นแล้วก็ถ้าไม่เห็นก็ไม่โชว์แล้วนั่นภาวะเห็นแข่งแข่งกับภาวะที่เป็น โดยเฉพาะลูกเบธนารฉันยาสังขารวิญญาณโชว์ที่สุดอันอื่นอาจจะไม่โชว์หน้าเก่ากขันหน้าเป็นข้างเป็นข่าวจะโชว์ได้แต่ไม่ชเวลิล้อมอันตัว รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเสียงเวรรอมก็โชว์ว่ามันมีอยู่มันเป็นธาตุสีขันธ์ห้า 5. อยู่ในห้องไอซยก็ยังโชว์เนื่องมันโชว์เวทนาคือเจอ็บปวดมันก็โชว์ความเห็นภาวะที่ไม่เป็นไปลบ มีแต่เห็นมีแต่ไม่เป็นมีแต่เห็นมีแต่ไม่เป็นต่างคนต่างโชต่างคนต่างงาก็โชเลวยทำแลย่ยอมชนะธรรมเสมอเพราะอะไรมันจึงได้ได้ใช่เพราะเรามีมีอันที่ไม่เป็นก็ใช่อันไม่เป็นอะไร ถ้าความมีอันไม่เป็นก็เป็นตะพื้ตะเพือเวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์สำหรับผู้ที่เห็นก็ไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นชีวิตส่วนตัว ตรงนี้เราต้องช่วยตัวเองหัดเอาว่าถ้าไม่หัดก็ทำไม่เป็นแต่หลงมากจะหลงอยู่ในนี่นมากที่สุดจนตรปเว้ทหาก็จนสุขก็ทุกข์ทุกข์นทุกข์ต้องให้เสียใจมีอยู่ในความพลาดพลาดแก่วของรักของชอบใจ ลุมเข้ามาอะไรที่มันลุมเข้ามาให้เกิดเวทนาซ่อมลงไงป้ายไปไกลเวทนาไปไกลเป็นพวกเป็นชาติธภาคอะไรต่างๆถ้าเราเห็นไม่มีอะไรธาภาคมีแต่โตตัวตัวตรงตัวตรงนั้นคนมีความรู้มีความสามารถ ทำานไม่ต้องถืออะไรคนไม่มีความสามารถก็หออกิ้วเจอไม้เครื่องมือบัอนทีก็ใส่กระสอบใส่รถไปจึงหาเงินหาทองได้แล้วคนมีความสามารถไปมือเปล่า หาหลวงพ่อพเทียนพูดอวดเราหาเงินหมื่นเงินร้อยหายากถ้าหาเงินหาเงินพันเงินร้อยหายากถ้าหาเงินหมื่นเงินแฉนหาง่ายไปนั่งกินน้าชาแก้วเดียวก็ได้เป็นเฉิน แต่นี่ก็มีสำหรับบางคนต้าหาเงินถ้าเป็นเงินตาคนมีทรับภายในก็มีความฉลาดมีเครื่องมือเหมือนกันแต่เครื่องมือในการหาทรัพไปไาไม่ต้องหอบต้องหิ้มีศรัทธามีความเพียรมีสติ มีสมาธิมีปัญญาใช้ได้พร้อมกันสัทธาก็มีเช่นมันหลงศรัทธาไม่หลงนั่นมีอยู่เวลามันทุกข์มรามีสศรัทธาแห่งก็ไม่ทุกข์ไม่โจนก็ไปเกี่ยวข้องนี่แต่ว่าศรัทธามีทุนมีเครื่องมือใด้ด้ ลบคไม่หลงไม่เขาลบของหลงไม่ทาตามความหลงมันหลงเวลาใดไม่ทาตามมานมีชามีความไม่หลงอ่านมาตรงนี้เมื่อวันทุกมีชะตาตกควไม่ทุกเมื่อมันโกรธมีชะตาตกาไม่โกรธ ใช่มันใช่มันต่างกันอยู่อันหนึ่งใช่มันก็ยได้เป็นทุกข์เป็นโทษอันหนึ่งเช่ได้เป็นประโยชน์นี่ก็มีทุนอยู่แล้วถ้าเป็นชอบภายในแต่ถ้าบางคนไม่มีอดีชอบภายในใช่ก็จนต้มันหลงก็สร้างความหลงสี่เวทล้อมทำไมจึงพูดจากน้ำทำไมจึงทำอย่างนี้ น่าจะเป็นอยางนั้นไหม น, น่าจะเป็นอย่างนี้ไปดวงงานความหลงเป็นนวิชามืดปอดไปเพราะไม่เคยฝึกไว้นั่นหรือว่าไม่มีเครื่องมือในความเพียรก็เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงหก็มากไม่ยอมเด็ดขาดหลงเป็นหลง ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนี่เรีย่ความเพียรไม่ใช่อับเหงืออยู่ในอรีบทใดก็ได้นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่เดิอนอยู่ก็ได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์คือความเพียร มีสติซ้อมหลงไปร่างหลงไปมีสมาธิหนักแน่นหลงไปเวลามันเป็นเหตุการณ์เชนั้นหนักแน่นเอาไว้สมาธิมั่นใจมั่นใ จ, นใจไม่เป็นายไม่เป็นายเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองธรรมาชาติธรรมดาจะโตตอบมันแต่ว่าสมาธิ แล้วก็มีปัญญาไปในตัวเศษรู้มันเป็นอะไรขณะที่มันหลงมันรู้มันมีปัญญาโลกรู้ง่ายแค่งูถ้าไม่มีสติปัญญาเกิดกวาโม่ได้สติเป็นคู่กับปัญญา นล้นกคนหมอคู่กับยาคู่กับความรู้ตัวสมมติฐานของโลกดูเฉยๆก็มีปัญญาดูออกเมื่อรู้สมมติฐานของโลกก็รู้จกักยาตัวเมื่อไหนตอบให้เจมมีโมตัวไหนเข้าไปอ่านกับรีงความรู้ คนมีสติมีปัญญาก็เป็นเช่นนั้นถ้าคนมีสติมีแต่ปัญญาเช่นแม่กืนชะ ต, ตางข้างคอลูกแม่มีไม่มีปัญญาแต่มีสติเออมีสติมีเปมีปัญญาแต่ขาดสติคิด เอาน้ำกดกอกลงไปตามเพื watering, him ่อให้ละลายสตางให้มันหมดไปพอสตางข้างคอเอาน้ำกดกอกลงไปมันก็ต้องตายคนไม่มีปัญญมีแต่ปัญญามันก็พาให้ง่ไปพิดได้แล้วก็ถูกน้ำกดก็เกัดโลหะละลายได้ กัวโลหะคือจะตางเกละลายคนก็ตายไปก่อนแล้วก็วงูในปัญญาแล้วนั้นปัญญาที่ไหนมีสติอยู่ที่ น, นั่นเป็นตรงจอกเหงินโลอ้อันนึงหมุนไปอันหนึ่งก็ผักไปเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาน่าเป็นกู๊ รูกจกสมถานของโลกรล้จดยาก็ใช่ยาร <c oughs> ล้กจกหลงใช่ความไม่หลงรูกจกทุกข์ใช่ความไม่ทุกข์รู้จกโกรธใช่ความไม่โกรธสนุกตรงนี้มันเป็นชีวิตชีวา เราหัดไว้เราฝึกไว้ก่อนที่จะทำเป็นต้องหัดต้องฝึกหัดไม่ใช่เรียนรู้เราก็ได้หัดอยู่เาใช้ถึิงไว้ลอมหลายอย่างเป็นไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีเกณฑ์ชีวัดให้เราได้ทดสอบ บอกผิดบอกถูกต่อเราอยู่ทุกโอกาสถ้าเราเขาถ้าเราศึกษาถ้า <c oughs> ไม่ศึกษาก็ไม่รู้อะไรศึกษาคือทะหลงไปย่อยด้ว่าสินสมาธิปัญญาเอาอันที่เป็นรุ่นมาย่อยดูมาดูแล้วว่าให้มันเห็นให้มันเห็น เหตุเห็นปัจจยัยเราก็มาศึกษาเรื่องนี้ก็มีกายมีใจเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่ศึกษาเป็นที่ดูมันก็เห็นมัามีรูมันก็เห็นรูน้อมผัดกับความรู้เราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุคือรูป ใมันรูอยู่วันนี้เมื่อเราท่องหนังสือสัตยาพสูจนติดปากตอนเช้าตื่นขึ้นมากรรมอาสาที่อาพสูบเรห้องสมมาสมบุติท ธ, ธพักวอออกมาจากขิดใจของเราความรู้สึกภายในเรห้องสมบัตุท ธ, ธพักวอรเหมือนเราอยู่นั่งต่อหน้าพระพักของพระเจ้า พผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารไม่สงสัยเลยในเรื่องนี้ออกมาจากใจว่หลวงไปมังสมน้ำหน้ามันบอกตัวเองรเท่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้้องทำบ้าทงคำสอนดันเปไปเพื่อทางออกจากทุกข์ เราอยู่ในฐา่ะแบบไหนก็ออกมาจากภายในจิตใจของเราไม่ใช่อ้อนวอนอย่าเป็นอ้อนออนไม่เป็นการกระทบกระทุ่งมันอุทูห พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันให้มันให้มันได้ประโยชน์อย่เพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เส้นเชิงอย่าอ้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันหันกระ อ, อน้อนวอนไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจ นการอ้อนวอนการสาปจช่งนะสวดมนใช่อ้อนวอนเป็นการมองตนโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ออกไปทางอื่นไม่ใช่อยู่เรื่องคนคนอืนนอออนอน่นเป็นเรื่องของเราดูอันอื่นมาเป็นเรื่องของเราส่วนประกอบมันหลงไม่ใช่หลงเป็นหลงเป็นเป็นส่วนประกอบมันมี มันมีไม่หลงมีหน้าที่ไม่หลงไม่ใช่ปล่ทิงเป็นงานเป็นการของเรามันทุกมันทุกเดียวปล่อยทิ้งการบ้านแล้ว <c oughs> เป็นโจทย์ไปจำเลยภาคสาจบไปเปลี่ยนทุกขัง้งเปลี่ยนทุกขั้งไปสนกุก ยิงงานทำยิ่งเวลาใดมันคิดอดีจะได้รู้จะได้เปลี่ยนวันเ้ามันรู้จะเอาเป็นเรื่องยากมีงานแล้วกระโดดใส่กระโจนใ ส, นใสน่นี่หรือนี่หรือที่เขาหรือว่ามันเจง๋งคิดเลยลองดูทุเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ บ่ ท, บทำบัตรทำความสอน เ, นเป็นไปเพื่อท่งออกจากทุกเป็นเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปณิพานต้อปล่อยที่งเหรไม่ใช่เรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องของเราด้วยไหนกาลังใจขึ้นมางดสู้เข้มแข็งม่งอ น, งนององแงนคอนแทนก็เราทำตรงนี้ หัดเข้มแียงอะไรก็ไม่กลัวงานกลัวการก็รโดดใส่ก็โจนใส่มีศรัทธาไม่ความเพียนกล้าธรรมไม่สติแน่วแน่ทำอะไรด้วยความลู่รอบรอบลู่ไม่ใช่งูนี่มันงูจริงๆิงออกไปจากงูจริงๆ ไม่ใช่งงเราไปรูปคํามันหลงหรือรูปคําความหลงทําไงให้มันหลงอยู่มันโกรธเราโกรธรูปคํามันเป็นพิษเก็บปวดเพราะมันตายเพราะมันต้องเข้มแข็งในี้สมาธิเข้าไปนักเต้นยืนหยดมันจะอ่อนไม่หาความมันความรักอ่อยตางใส่ใจลําดับ ความโกรธใส่ใจลำับความพอใจใส่ใจลำับมีเสน่ห์มีอาสาธะมีสาธะความพอใจความไม่พอใจไม่มีรสชาติของสัตว์โลกท้องติดเข้มแข็งกว่าเรียนลงรู้ถอนลไปจะออน เอ้กันไปเราจะชื่อมเสีงตอนนั้นเกาแลกสู้แบบนี้เอ็นเราสาธิยายพิสูจนสติประธานสูตรสมสติมีสติปไปไนกายเห็นกายอยู่เป็นประจำครั เราเข้าถึงจุดนี้ในหนัวใจมาคิดอยู่จำกันอยู่ท่องยังกันอยู่เกิงอะไรล้วลก็รู้หมดใ่ทั้งหมดเหมือนพระอไะไรฮะพระโพธิละ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมหลวงพ่อกรมอ๋ โ, โกธิละหรือโหทิละโกธิล ะ, ละแต่นั่งอยู่ไปอะไหลวกนี้มาเอามาชุด ต, ตังเอกซงสยง์ยังประกบเอาเ่าสิเอามาชุดตังสูตรนี้มาจากคำสอนพระเจ้าสอนที่นั่นสอนที่นีน่เรื่องที่นั่นเรื่องอย่นี้จำได้แม่นยามเป็นปฏิปิบุกเคลื่อนที่ แต่ไม่เอกมาสอนตัวเองมีทิฏฐิมานะแข่งกันด้วยปาดประหารด้วยคำพูดด้วยเพื่พือว่าทโ อ, อ้วดพระทั้งหลายก็กลัวแล้วพวกกับโพธิละวิรายก็เอวเมชุดตังเอกังปคขวาวเอามานำหน้าไม่ได้บอกว่ามันหลงไหมท่านอันหลงเหรอถ้าเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็ได้นะต้องเปลี่ยนดูวิ ไม่ใหยพูดอย่างนี้พธิลักษณ์ไอะเมสุดตังไอกังสัมยงังพุทธเจ้าส่งแสงว่ากายาันุปัสสีประธานสถีนี้อ้าวหนุษ ไ, ไม่มีใครเคารพนับถือไปพบพุทธเจ้าเอเดินใดพุทธิลักไปพบพุทธเจ้ า, จามาแล้วหรือภิกษุใบลานเป่า ให้พูดคํานักพูดองค์ไม่ตัดอะไรกับโพธิละแทนที่จะสรรสริภิกษุไบาลานเป่าบอพุทละกอกไปแล่าหรือภิกษุไบาลานเป่าพูดพระองค์พูดตัดเตียงนี่กับพระโพธิละจนโพธิละไม่สง่าราศีเลยคิดได้เอ๊ะทาไมทําไมละวันอะไร พระทั้งหลายไม่คี่ทั้งหลายพิสุนีทั้งหลายจำเนงทั้งหลายหลบไม่มีใครชู้ <c oughs> <c oughs> เอาแต่บาลีเ อ, อเแต่ภาษามาบอกดงบราณท่านว่า ก, ก็ศีขาศีสีขาเหวีเออกน้นขยุ่งตีอย่าเอาบาลีมาตอยตีตาคอด ให้เอาแกนขยุงแกนคือศาสนาค่ากิเลสตนะไม่ใช่บารีโมอัดกันเอาแกนขยุงแกนขยุงคืออะไรสับเพธรรมอนหลังปีิเวส่ายใช่ไหมนะใช่มไห <c oughs> มถ้าพูดบาลีจำไม่ค่อยได้ <laughs> หัวใจของพุทธศาสนาเกณฑพุทธศาสนาสพเาสพเานาสเพธรรมานารังอภินิเวายะใช่ตามทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเกณฑ์แท้แน่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำตั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราทำตั้งหลายคืออะไรบ้า ความหลงก็เป็นธรรมความสุขก็เป็นธรรมความทุกข์ก็เป็นธรรมอย่ายึดมั่นถือมั่นเมื่อโดยย่ออุปถานขัดตั้งหน้าเป็นตัวทุกข์สอยเยียติทางได้แกจสิงเหล่านี้คือโลกไม่เที่ยงจิงใดไม่เที่ยงสิ่นั้นเป็นทุกข์สิงใดเป็นทุกข์สิ่นั้นไม่ใช่ตัวตนจิ่งใดไม่ใช่ตัวตนจึงตั้งห น, นควยึดว่าตัวว่าตนของเรา สับเพธรรมหนาลังอภิเนวัชย์ยทาทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่รวแก่นขยุงแท้ๆแล้วนะเห็นไม่เป็นแก่นแท้ๆล้วแนะก่นไม่ยุ่งโตสิขาสิบสิกาเอาแก่นขยุ่งตีอย่าเอาบ่ลลีโดยตีต่างคนอวดเกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอวด เป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนถ้ามันมีก็เปลี่ยนไม่ใช่วัดกันโชว์มันหลงเปลี่ยนไม่หลงมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธมันคิดที่ไม่ตั้งใจเปลี่ยนให้มันรู้สึกตัวให้มีสติเห็นมันอย่าเป็นไปกับมันเรียกว่ารู้ตัด ดูตัดเหมือนหลวงพ่อเทียนนนพูดว่าสติเหมือนหนูโอ้สติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูออกมาเาจอตะคุบมันแต่อย่าไปปิดประตูมันให้มันออกมามันจังจับมันได้หลังจะจับหนูไม่ใช่ไปปิดลูมันให้มันออกมาจึงจะได้ตัวหนู ออกมาก็จั บ, จ, บจับที่แรกไม่อยู่นะใช่ไหมแนวตัวเล็กจับหนูตัวใหญ่ไม่อยู่ยจับอยู่ไหมฮะไปถึงไหนคิดออกมาไปถึงบ้านนะ่ะไปถึงเกาะชีจังน ะ, <c oughs> ะไปแล้วจับไม่อยู่ทำไงฮะ เมื่อแมวตัวเล็กจับหนูไว้อยู่หนูโถใหญ่เลี้ยงมานานเหลือเกินหนูตัวนั้ยี่สิบปีแล้วก็มีสามสิบปีก็แมวสี่สิบปีก็มีมเลี้ยงหนูไว้ให้มันไปสุขสนอยู่ทั่วๆไปเสือหายพ่อหนูประตูลองตาอยู่ไม่เสือดำหมันปว่วย ติดประตูประตูก็เกือบจะถึงเสือน้ามันแต่หนูไม่พยายามจะเข้าไปมากัดเสือน้ามันมันก็ทุกขสนขนาดนั้นหลวงพ่อเทียนนายบอกว่ า, วาเลี้ยงแมวให้ประโตดูจากเลี้ยงแมวให้โตไหมทำ ง, งานรู้จักตัวรู้จักตัว <c oughs> <c oughs> เลี้ยงแมว <c oughs> ขยันลูกเรียกว่าภาวนานี่แมวจะโตขึ้นมาจับทีเดียวอยู่เลยนะจับทีเดียวอยู่เลยขยันนะแมวนีจับทีเดีวยวมัดหลับางทีไม่ต้องจับแล้วแมวตัวใหญ่ผมเห็นแมวช็อกเลยช็อกเลยกลัวเลยหนูกลัวแมว เหมือนหมาขัวเสือพอหมาได้กินเสือเอ อ, อวิ่งไม่เป็นเลยมันแพร่กันเหมือนอนบางคนจบับงูงูแพร่นะจอดอยู่นั่งพองเนี่ยชื่ออะไรนะั่งองูเห็นก็ปกุปกเปกียกปุกเปียกเลยมันแพร่กันอ่า <c oughs> <c oughs> น้อก็มีนะงูจงอางเห็นนะเห็นพอแปะพแปไปเลยบางทีเขาบอกว่าเราเห็นงูจงอางเราเห็นงูลรวก็โอ้ยเราบังบกงอะไรก็ฮะเขาบอกบังบกดมานะ้งูจ ง, งาอางแพร่ไปเลยพอได้ยินใช่ไหมปลอดเลยเลยแพร่ไปเลยนะ แลวงตาจึงเห็นพระคุณวิคุณประสิทธิ์ดบ้านห้วยวานไปไปบวชอยู่ด้วยน้องตาก็เดินจงกรมเหนื่อยนั่งอยู่ก็ทางเนือยจงกรมนอนลงไปก็นอนลงไปสมัยนั้นใช้ชีวิตเหมือนหมาตัวหนึ่ง ไม่ระ ว, วังระวังอะไรเหมือนหมาถ<อ>้าเหนื่อยหมดเลี้ยวหมดแล้วนอนบนทางเดินอย่างผมไปไอ้สิทธิ์เนี่พระสิทธิ์เนี่ยปพระประิดเน่จิตไม่ใช่สิทธิ์คุณจิต เ, เจอมห้ยก็แปะวันไหววันไปอะโลกไฟไอหมาครับ ห, หมาหลานพะโมกเศรษฐี เลยข้าบเป็นหมื่นเลยข้าบเป็นหมื่นปิ๊บอาจารย์อาจารย์งูงูจะข้ามนะอาจารย์อาจารย์อยู่นิ่งๆนะนึกว่ามันเรียกใครอาจารย์นอนอยู่นะอาจารย์เขียนอาจารย์เขียนงูเลื่อยไปมันจะข้ามนะแล้วก็อนอนอยู่นิ่งๆ ไอเช็ดในมาวิ่งมา่งมาพุจะบผางงูเลยงูโดดเอบลบอกว่นบังบังบังงูมละมันบางงูมัละมันก็ไปไล่จับผามันบังคับไม่ไปมันจะเลื่อนมาท้มันจับผางได้ส่งมันก็ป่าไปใครจะกล้าจับหางงูใหญ่วๆอนนดีเหมือนกับเสือแมวเหมือนใหญ่ หนูตัวเล็กนะวมันเห็นแมวมันก็ช็อกเลยวงพ่อเถือนพูดเองได้ยินนงพ่อเถือนพูดคำนีเอ๊ะเอ้พอมีเสียงเก่งนะเพียงกิเลสเกิดขึ้นแล้วตเดี๋ยวกลัวแล้วเฉยหน้าพูดหน้าเบ่งอดทนอดทนก็วันแล้วนอนอยู่แมันมีนะ เสียงได้หน่อยกกมล้วก็แมวเสือร้องสมัย4 6, 6ิ1 6ที่นี่หนาวมากเสือร้องตลอดคืนอตอนนี้มีไล่ช่วบ้านนยแาวบ้านไม่ขี้เนี่ยมีทางลากทรงเราเดินดทางลากทรงไปเน่ทางลากทรงออกไปไปไปบ้านไม้สุดเป็นที่ทับไหมเขา ไม่ลงเลยกองอยู่ที่นั <c oughs> ่นในเพียนท่านเห็นบ้างกองไม่อยู่ที่นว่าทางเราส่งลงมาในปีนั้นมันหนาวมากศูนย์ลบสี่ในนอมาอยกกู่กะติกะติกะติแถวกะติไม่ขี้้องอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ไผ่ไม่เรียนล ำ, ลำไม่ใช่มีฝาแหลก เออลองตาอยู่เถอะเนี่ยเน้นน้อยอยู่สิลกันเนนเนนเลยฮัลโหลจำมาแ้วช่วลองมามามาไปอบรมเดินไปถึงว่ามาจบลองก็มามาเอ้โน้อยลองให้ลองให้ตัวฮะววชื่อ เราก็สนุกฟังเสือหลอกลกันอนอนยะฟังแ น, น้เสียงเสือไม่ได้ดกลัว อ, อันนี้น้อยสองรวมเงิ น, นล้วกันลองให้แล้วกลัวไหมได้ยินเสียงเสือได้กลิกน <laughs> ก่นก็ไม่กลัวนะเคยได้กลินเสือนะอันนี้ตัวจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรามนะ แต่อยู่ตรงใหญ่ชมพรนะ่ะว่าจะไปอยู่ในถ้าเข้าไปในถ้าไม่ได้ลิงมันเยอะได้ออกมาอยู่ก้อห็นตลางง้งงอนเลยไปตะวันขํามออกไปไหนไม่ได้ถ้าเดินกลับก็กลับ ไ, ไม่ได้มืดนอนอยู่ตรงลานเห็นหน้าถ้ำนอนได้เตีหนึ่ง เดินขึ้นมาได้กินเสือไม่เคยได้กินเสือแต่พอได้กิ่นโลจากอันนี้ไม่กินเสือนะอืมกมลัวไหมเหมือน <c oughs> หมาหรือเราเนะี่ยไม่ใช่หมาเนี่ยพระนั่นเนี่ยกลัวรู้ขึ้นนั่งแล้ขึ้นนั่งม่ะม้มองตาเม้มสีขาวน่ะ อมม่วงสีดำสือตุก ว, วันเนี่ยมุ่งพระกรรมฐานเนี่ยใช่ไม่ได้ไดนะเนี่ยสีดำดำสีกะกะเนี่ยอย่าไปอยู่ในป่านะพวกอยู่ในป่าต้องมุ่งสีขาวๆเหมือนกับผ้าะเมื่อกี้นะจุดไทรจุดตะเกียงตั้งเลยนยจุดเทียนไขต้องมีเทียนไขจุดตั้งว่ากระมองว่ากระหม่อมอ ม, อมันอยู่ที่ไหนคงอยู่ใกล้ๆนี่แหละ <laughs> มีกินน่ไม่ใช่ใกล้นี่นะ่ะมองแววเห็นนั่งถึอมึอนี่ยเอาปันนี่พอกันคนล่ะเอ้น่ะเสือน่ะอาจารย์หนะน่มะมามามาเราจุดเทียนดูก็พึ่บเพิ่บพิ่บลุกไปเลยเขลุกไปก็ไม่นอนแล้วนะนั่งเทียนเนี่ยก็อนอนลงไปก็อนอนเอาเทียนก็้ามา <g ül> ไม่วออวางว่งวางนี่นะอมาที่มันรับอะ่ะใช่ไหมแล้วก็หนอะเทียดเลรเนาะสว่างตีนบะาดสว่สางนะเสือจะกัดคนนะ่มันกัดตอนตอนแย่งความสว่างกับความมืดเน่ <c oughs> มันจะกัดคนตรงนี้แล้วก็เหลียนโลว่างได้เห็นคนเท่าคนแจ แสงอาทิตย์ส่งสองป่าพอเห็นแสงอาทิตย์แก่งหมดดอกมีแสงแดดแสงอะไรผ่านมาไปลูกเก็บมุ่งเก็บมุ่งทับมุ่งใส่บาดพายบาดออกมาเดินมาหาบ้านตอนกลางดงพอมาหาบ้านตอนออกมารับบาทขึ้นไปนบนบ้าน นึกว่หลังเดียวคมทางนะตอนเขาบอกว่าเฮ้ยผมนอนไม่หลับทั้งคืนอาจารย์ผมห่วงอาจารย์เป็นยังไงนอนได้สบายเหรอนอนได้ไม่เป็นไรไม่ปัญหาอะไรไหมก็มีก็มีเสือมานั่นแหละนั่นแหละผมบอกว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปไม่เสืออันตราย ผมนอนไม่หลับทั้งเกืนห่วงอาจารก็เหมือนเราไม่ใช่หมานราเป็นพระนะเพรานันถ้าเราไม่สติมันเป็นพลังนะไม่สติไม่พลังแก่นก็้าทลาไข่ก็โดดถึงสุดยอดกอดบองกฎทำไม่เป็นไม่กลัวเลย ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเห็นไม่เป็นนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงแมวให้มันโตให้ความรู้สึกมันเรื่อยไม่มีใครเลี้ยงช่วยเราไมนจะเราเลี้ยงเองนะเอาสมควรใจเวลา